บทที่สี่สิบสามคริสกับอิสลามมุรุดสองคนเข้ามากราบท่านพระครูขณะที่กำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสื อ, อยังชั้นบนของกุติหลังจากลงรับแขกรอบบ่ายสองโมงเสร็จแล้วหลวงพ่อครับผมกับเพื่อนจะมาเข้ากรรมาฐานเจ็ดวันครับ คนที่ดูอายุมากกว่ากราบเปลียนอย่างนั้นหรือมากันกี่คนล่ะท่านถามเพราะเห็นบุรุษหน้าตาคมเข้มยืนลับๆ ล, บ ล, อ, ลอยๆอยู่หน้ากุฏิและรู้ว่าเขามากับบุรุษทั้งสองมากันสามคนครับแต่อีกคนไม่กล้าเข้ามาเพราะเขานับถือาศาสนาอิสลามบุรุษคนเดิมตอบอิสลามก็เข้ามาได้ อาตมาไม่เคยรังเกยียจศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือว่าอิสลามเพราะอาตมาถือว่ า, าศาสนาทุกาศาสนาต่างก็สอนให้มนุษย์ละความชั่วทำความดีด้วยกันทั้งนั้นคนไม่มีาศาสนาอาตมายังไม่รังเกยียจเลยได้แต่สงสารเขาไม่มีที่พึ่งทางใจคนเราต้องมีที่พึ่งทางใจนะโยมนะ จะได้ไม่รู้สึกอ่างว่างว่าวเวจนเกินไปครับหลวงพ่อเราทั้งสามต่างก็มีศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจกันทุกคนเพียงแต่นับถือคนละศาสนาผมเป็นพุทธเพื่อนคนนี้เป็นคริสอีกคนเป็นอิสลามพูดจบก็ขออนุญาตลุกออกไปบอกเพื่อนที่เป็นมุสลิมให้เข้ามาบุรุษหน้าตาคมเข้มเข้า ม, ม, มานั่งหากไม่ได้ทําความเคารพท่านพระครูเขาพูดออกตัวว่า ศาสนาผมไม่ไหว้พระหรือเคารพสิ่งใดๆผมจึงไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ถือท่านมองหน้าเขาพลันก็รู้ว่าเขากำลังมีเคราะห์จะต้องเสียทั้งเงินและเสียลูกชายสุดที่รักไปในเวลาเดียวกันท่านอยากช่วยเขาวิธีเดียวที่จะช่วยได้คือเขาต้องมาเข้ากรรมฐาน และอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกชายหากจะบอกตามตรงก็จะกลายเป็นว่าท่านอวดอุตริมนุษธรรมท่านจึงบอกอ้อมๆว่าโยมซื้อรถบีเอมป้ายแดงให้ลูกชายขับเมื่อสองวันก่อนนี่ใช่ไหมท่านทราบได้อย่างไรครับเขาคิดว่าเพื่อนที่นับถือาศาสนาพุทธบอกท่านอาตมาทราบก็แล้วกันทราบโดยไม่มีใครบอก รถคันนั้นสีเขียวใช่ไหมราคาแพงเสียด้วยแล้วก็ไม่ได้ประกันนายยูซุปรู้สึกประหลาดใจที่ท่านทราบเรื่องราวของเขาอย่างละเอียดจึงตอบว่าครับท่านที่ผมไม่ได้ประกันก็เพราะไม่อยากให้ลูกชายประมาทถ้าเขารู้ว่ารถไม่มีประกันเขาก็จะขับอย่างระมัดระวังท่านพระครูพูดด้วยเสียงปกติว่า เขากำลังวัยรุ่นจะมีประกันหรือไม่มีเขาก็จะขับตามความเคยชินของเขาพวกวัยรุ่นใจร้อนขับรถก่อเร็วไม่มีบรรยะบรรยัญญงหรอกโยมคิดผิดซะแล้วที่ซื้อรถให้เขาน่าจะรอจนกว่าเขาจะเรียนจบเสียก่อนแสดงว่าเขาจะได้รับอุบัติเหตุหรอครับผมก็รู้สึกมีลางสังหรณ์อยู่เหมือนกัน ผมจะรีบกลับไปบ้านขอกุญแจคืนเขาค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดจึงคิดว่าจัดการไว้ดีกว่าแก้กลับไม่ทันแล้วตอนนี้เขากำลังขับรถไปเที่ยวระยองกับเพื่อนๆขับตั้งร้อยเจ็ดสิบแน่ถ้าสำนวนวัยรุ่นก็ต้องว่าเหยียบร้อยเจ็ดสิบท่านรู้สำนวนวัยรุ่นด้วยแล้วผมจะทำยังไงดีครับท่านช่วยแนะนำด้วย นายยูซุปออกปากให้ท่านช่วยอาตมาแนะนำได้แต่โยมจะทำได้หรือเปล่าข้อนี้อาตมาไม่ทราบถ้าทำตามผมจะช่วยลูกได้ใช่ไหมครับได้พันเปอร์เซนต์โยมช่วยลูกได้แต่ช่วยรถไม่ได้ถึงอย่างไรก็ต้องเสียเงินซ่อมรถแต่ก็ดีกว่าเสียทั้งลูกเสียทั้งเงินไม่ใช่หรือครับ ผมยอมเสียเงินแต่ไม่อยากเสียลูกผมมีลูกชายอยู่คนเดียวภรรยาสามคนแรกมีแต่ลูกสาวเพิ่งจะมีลูกชายเมื่อมีคนที่สีนี่แหละโยมมีภรรยาสี่คนเชียวหรือสมพานวห้าสิบเศษถามยิ้มยิ้มครับาศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้ถึงสี่คนผมก็เลยมีเส ต, ต็มพิกัดเลย ผมอยากเป็นอิสลามก็เพราะอย่างนี้หละครับหลวงพ่อบุรุษที่เป็นชาวพุทธพูดขึ้นผมก็เหมือนกันครับบุรุษชาวคริสช่วยเสริมอย่าเลยเพื่อนไม่สนุกลอกเชื่อผมเถอะผมมันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้เพื่อนต้องพลาดอีกนายยูซุปพูดจากใจจริงอ้าวทำไมล่ะผมยังนึกอิจฉาคุณเลยเพื่อนคนที่เป็นคริส รักายไลเลียงมันทำใจเป็นกลางไม่ได้นะสิคือตามหลักศาสนาที่ผมนับถือผู้ชายมีภรรยาได้ถึงสี่คนก็จริงแต่ต้องไม่ลำเอียงหรือรักคนโน้นมากกว่าคนนี้ต้องรักเท่าๆกันที่นี้ผมทำไม่ได้ก็เพราะผมรักคนที่สี่มากกว่า เพราะเขามีลูกชายให้ผมอีกสามคนก็เลยไม่พอใจและร่วมมือกันเล่นงานผมนี่ถ้าผมนับถือพุทธผมก็จะบวชอย่างท่านนี่แหละจะได้ไม่วุ่นวายใจเขาระบายความอึดอัดขัดข้องออกมาโยมอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าเป็นพระจะสบายไม่สบายเลยนะอัตมาตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าสบายเลย เป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเป็นโยมก็ทุกข์อย่างโยมถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องไม่เกิดการไม่เกิดนั่นแหละเป็นความสบายถี่แท้จริงผมเริ่มจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วล่ะครับคงเป็นธรรมะชั้นสูงผมเป็นมุสลิมเลยฟังไม่เข้าใจผมก็เริ่มไม่เข้าใจเหมือนกันถึงผมจะเป็นชาวพุทธแต่ก็ยังฟังธรรมะชั้นสูงไม่เข้าใจ เห็นจะต้องฝึกฝนอบรมอีกนานท่านจั ก, กรุณาแนะนำผมได้ไหมครับว่าจะช่วยลูกได้อย่างไรนายยูซุปวกกลับมาพูดเรื่องลูกก็อย่างที่อาตมาพูดเมอ์กี้นั่นแหละว่าถ้าอาตมาแนะนำแล้วโยมไม่ทําตามโยมก็ช่วยลูกไม่ได้ท่านจะให้ผมทำอย่างไรครับผมจะยอมทำทุกอย่างแม้จะต้องตายก็ยอม ขอให้ลูกผมปลอดภัยก็แล้วกันไม่ถึงตายหรอกแค่เจ็บปวดถ้าโยมทนได้ก็จะช่วยลูกได้ท่านจะให้ผมทำอะไรครับคนห่วงลูกถามอีกโยมจะต้องเข้ากรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับลูกผมเป็นมุสลิมเข้าไม่ได้หรอกครับให้ผมทำอย่างอื่นดีกว่าเขารีบปฏิเสธ ท่านพระครูจึงเล่าประสบการณ์ของท่านสมัยที่ไปเรียลัยเงินสร้างโบสถ์ที่พรมบุรีแล้วก็ได้ไปพบหนุ่มมุสลิมถูกอาแท้ๆจ้างหมอผีให้เอาผีมาเข้าหลานชายเพื่อหวังสมบัติของพี่ชายผีที่เข้าได้เจรจาต่อรองกับท่านว่าท่านหนุ่มมุสลิมยอมบวชอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาก็จะออกจากกร่างในตอนแรกบิดาของชายหนุ่ม จะไม่ยอมให้ลูกบวชครั้นผีขู ว, ว่าถ้าไม่บวชลูกชายต้องตายในที่สุดจึงยอมให้ลูกบวชเมื่อศึกแล้วก็กลับไปเป็นมุสลิมอย่างเดิมในกรณีของโยมอาตมาไม่ได้ให้โยมบวชแต่ขอให้เข้ากรรมฐานเจ็ดวันโยมทำเพื่อลูกไม่ได้หรือถ้าผมยอมเข้ากรรมฐานแต่ไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระได้ไหมครับเขาต่อรอง ได้สิทำไมจะไม่ได้หรือโยมจะสวดตามาศาสนาโยมก็ได้การเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไรก็ทำได้จริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละยูซุปดูอย่างผมสิผมนับถือคริสต์ยังมาเข้ากรรมฐานตั้งหลายครั้งหลวงพ่อท่านใจกว้างท่านไม่ชวนให้ใครมาเป็นพุทธหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกล้างสมอง หลวงพ่อท่านไม่เคยล้างสมองใครผมพูดถูกหรือเปล่าครับเขาถามท่านพระครูอัตมาไม่มีเวลาพอที่จะไปล้างสมองใครแล้วก็ไม่รู้จะล้างไปทำไมรู้แต่ว่าเรามีของดีให้ก็อยากจะให้คนอื่นได้เอาไปใช้บ้างของดีที่ว่านี่ก็คือกรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษที่เป็นชาวพุทธถามถูกแล้ว ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานเพราะใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นบุรุษหน้าตาคมเข้มห้าหกคนเดินเข้ามานั่งในกุฏิคนนั่งหน้าถามท่านพระครูว่าท่านครับวัดนี้มีพุโทโธหรือเปล่าครับหมายความว่าอย่างไรท่านพระครูย้อนถามรู้ว่าพวกเขาเป็นมุสลิมเพราะไม่ได้ทาความเคารพท่าน คืออย่างนี้ครับพวกผมจะมาเข้ากรรมฐานแต่ต้องไม่ใช่พุทธโธเพราะขัดกับคำสอนสาศาสนาของผมวัดนี้ไม่มีพุทธโธหรอกโยมมีแต่ขว้าย่างนอซ้ายย่างนอกับพองนอยุบนอท่านพระครูตอบงั้นพวกเราก็มาถูกวัดแล้วนะสิเขาหันไปบอกพักพวกแล้วจึงกราบเรียนว่า พอดีพวกผมจะพากันมาขออนุญาตเข้ากรรมฐานที่วัดนี้พวกเราได้ยินว่ากรรมฐานทําให้ชีวิตรุ่งเรืองและก็สามารถแก้ปัญหาได้จึงอยากจะมาลองปฏิบัติดูลองไม่ได้หรอกโยมต้องปฏิบัติให้จริงจังไม่ใช่มาลองถ้ามาลองเฉยเฉยจะไม่เกิดผลเอาละทาโยมตั้งใจปฏิบัติ อาตมาจะขอรับรองว่าได้ผลแน่นอนโยมจะแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยกรรมฐานโยมสามคนนี้ก็มาปฏิบัติคนนี้เป็นอิสลามเหมือนกับพวกโยมนั่นแหละเขาต้องการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตท่านชี้มาที่นอยู่ซุป พวกผมก็ต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตครับพวกเรามีปัญหาเรื่องความยากจนทำมาหากินไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรมีคนที่เขาเป็นพุทธเขาแนะนำให้มาเข้ากรรมฐานเขาบอกว่ากรรมฐานแก้จนได้เป็นไปได้หรอครับได้หรือไม่ได้โยมก็ต้องพิสูจน์โดยตนเองเอาละขอให้ตั้งใจปฏิบัติและจะพบคาตอบอาตมาขออนุโมทนา ที่ยมตั้งใจจะแก้ปัญหาด้วยการเข้ากรรมฐานขอต้อนรับด้วยความเต็มใจแต่พวกเราคงรบกวนท่านเรื่องอาหารหน่อยนะครับคือเดือนนี้เป็นเดือนรอมาดอนพวกเราต้องถือศีลอดกันจะไม่รับประทานอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกจะรับประทานสองเวลาคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตก พวกเราจึงขอถือศีลอดแทนศีลแปดท่านคงไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าโยมหรอกเอาละเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงประเดี๋ยวอาตมาจะให้ลูกศิษย์ไปบอกแม่ครัวให้ทําอาหารอิสลามสําหรับโยมที่เป็นมุสลิมไม่ให้มีหมูแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันหมูให้ใช้น้ํามันพืชแทนใช่ไหมท่านถามยิ้มยิ้มครับท่านใจดีจัง ผมอยากให้วัดเป็นอย่างวัดนี้ทั่วประเทศเลยจะได้ไม่มีสงครามศาสนาเกิดขึ้นถ้ามนุษย์เราปฏิบัติตามหลักคําสอนศาสนาอย่างจริงจังมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในศาสนาที่ตนนับถือสงครามศาสนาก็ไม่เกิดแต่ที่เกิดเพราะมนุษย์เอาศาสนามาอ้างเรียกว่าเอาศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อพ้นประโยชน์ทางการเมือง ศา ส, สดาท่านก่อตั้งศาสนาขึ้นก็เพื่อให้มนุษย์มีสันติภาพโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพสงครามทางศาสนาทําให้โลกเข้าข่าสันติภาพการทําสงครามทางศาสนาจึ่งถือว่าทําผิดหลักที่ศาสดาตั้งไว้เอาละเดี๋ยวอาตมาจะให้ลูกศิษย์เขาพาไปเข้าที่พักโยมีชุดขาวมากันหรือเปล่า ไม่มีครับคนพุทธคลิปและอิสลามตอบพร้อมกันเอาละไม่มีก็ขอยืมของวัดได้เรามีให้ยืมคนละสามชุดให้ซักเอาก็แล้วกันถ้าใครไม่อยากซักก็ใส่ชุดละสองวันหรือสามวันก็ได้พูดจบจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือ ญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานชุดนี้มีประมาณ100ร้อยเศษและมีทุกศาสนาคืออิสลามสิบเจคลิส15หฮินดูกับซิกอย่างละเก้าคนที่เหลือนอกนั้นเป็นชาวพุทธกลุ่มที่ตั้งใจที่สุดคือมุสลิมเพราะไม่พูดไม่คุยกันเลยศาสนิกอื่นๆก็ตั้งใจพอสมควรคงมีแต่ชาวพุทธที่พูดคุยกันและไม่ค่อยจะตั้งใจปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพราะส่วนใหญ่มาตปฏิบัติแก้บนไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาคนประเภทนี้มาสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นซึ่งถือว่าบาปมากไม่มาเสียยังดีกว่าแต่ชาวพุทธที่มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาก็ตั้งใจปฏิบัติดีอยู่เพียงแต่ขาดความอดทนพอปวดหน่อยก็เปลี่ยนท่านั่งแล้วจึงปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร คนที่อดทนมากที่สุดก็คือนายยูซุปเพราะเขาต้องการช่วยลูกชายขณะเขานั่งเจ็บปวดรวดร้าวราวกับกระดูกจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่านพระครูต้องมาคอยให้กำลังใจเขาเพราะท่านรู้ว่าบุรุษผู้นี้มีเวทนามากกว่าคนอื่นๆอดทนนะโยมกําหนดบวชหนอปวดหน อ, หนอเข้าไว้ถ้าปวดจนทนไม่ไหว ก็ให้อธิษฐานจิตไว้เลยว่าตายเป็นตายดูซิว่าจะตายไหมอย่าลืมว่าทะโยมไม่อดทนลูกชายโยมก็ต้องตายครับท่านผมจะอดทนเพื่อลูกเขารับคาอาการปวดรุนแรงขึ้นเขาถึงกับต้องกัดฟันดังกรอ ด, รอดเมื่อคิดว่าจะทนไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอยอมตาย จะไม่ขอเปลี่ยนท่านั่งแต่จะขอชีวิตลูกแทนขอให้ลูกของข้าพเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนข้าพเจ้าขอตายณบัดนี้สิ้นคำอธิษฐานความเจ็บปวดปัดดังขึ้นสูงสุดจนตัวงอศีษะตกค้่อมลงมาข้างหน้าและแล้วความเจ็บปวดทั้งมวลก็อันตรทานไปกลับกลายเป็นความเย็นซาบซ่านไปทั่วสารพาง จิตได้สัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาตั้งกายให้ตรงแล้วนั่งต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิเรื่องราวของลูกชายที่ปรากฏขึ้นในมโนทวานภาพเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและดําเนินไปอย่างรวดเร็วเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายอย่างเร็วๆ เ, เป็นภาพลูกชายขับรถป้ายแดงด้วยความเร็วร้อยเจิบกิโเมตรต่อชั่วโมง มีเด็กสาวนั่งคู่กันมาข้างหน้าครั้นถึงทางโค้งรถก็พุ่งแหกโค้งออกไปพลิกความหลายตลกรถพังยับเยินแต่ลูกชายของเขาและเพื่อนสาวสลบสลายอยู่ในรถตำรวจทางหลวงผ่านมาเห็นเข้าจึงได้นำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดระยองเมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วภรยาคนที่เป็นแม่ของลูกชาย จึงย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขารู้ได้ในทันทีว่าที่ท่านพระครูขอให้เขาเข้ากรรมฐานเพราะท่านเห็นอย่างที่เขาเห็นและเขาก็เชื่อว่าหากเขาไม่มาปฏิบัติลูกชายของเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูและจะต้องหาทางตอบแทนบุญคุณท่านให้ได้ จากกรรมฐานแทนที่นายยูซุปจะกลับบ้านเขากลับตรงไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพกรรมฐานมีประโยชน์มากมายมหาศาลเขาไม่ต้องเสียเวลากลับไปบ้านก่อนเพื่อจะไปถามภรรยาว่าลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเพราะรู้จักกรรมฐานแล้วว่าลูกอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเวลาสองนาฬิกาสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมจหวัด หลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วท่านมองไปที่พระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้างเก้านิ้วอายุกว่าเจ็ดร้อยปีที่ท่านได้มาสมัยที่เดินทุดงไปกับพม่ากักบหลวงพ่อในป่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่งดงามมากแต่วันพรุ่งนี้จะต้องไปอยู่บ้านอื่นเพราะนางสาวต้นหลิวที่ท่านตกปากรับคำว่า จะส่งหล่อนไปเรียนต่อปริญญาโทจะมาขอไปหล่อนจะมาขอเงินค่าเล่าเรียนสองหมืและจะขอพระพุทธรูปองค์นี้ไปบูชาท่านไม่คิดเสียดายเพราะพระพุทธรูปองค์นี้เคยเป็นของนางสาวต้นหลิวหล่อนเคยเกิดในสมัยสุขโขทยัยเกิดเป็นผู้ชายและได้เป็นเจ้าของพระพุทธรูปองค์นี้โดยเป็นสมบัติตกทอดมาจากบิดามารดา ในชาตินั้นเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนเมื่อตายไปได้ตกนรกอยู่ห้าร้อยปีจากนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพศเมียอีกหลายพันชาติเพราะเศษของกรรมแล้วจึงนำมาเกิดเป็นสตรีเพศหล่อนเคยเป็นลูกหลานท่านจึงต้องมาสมครอกกันต่อในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ของท่าน อันกิจจะต้องทำในวันรุ่งขึ้นสมภารวัยห้าสิบจึงจังวัดเวลาบ่ายสองโมงท่านพระครูลงรับแขกตามปกตินายยูซุปรานเข้ามากราบสามครั้งเหมือนที่ชาวพุทธกราบเขามารอตั้งแต่เที่ยงจึงได้กราบท่านเป็นคนแรกกราบแล้วจึงถวายซองบรรจุธนบัตรใบละร้อยจำนวนสองร้อยใบพร้อมกับกราวว่า หลวงพ่อครับลูกชายผมปลอดภัยแล้วผมรู้สึกเป็นหนี้หลวงพ่อมากจึงขอผ่อนใช้นนีงวัดแรกผมนำปัจจัยมาถวายสองหมื่นบาทครับพูดจบก็ประเคนผานที่มีซองบรรจุธนบัตรวางอยู่ท่านพระคกรูเอื้อมมือออกมารับและอนุโมทนาท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาสองประการประการแรกคือเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อ เหมือนอย่างที่ชาวพุทธเรียกประการที่สองเขากราบท่านทั้งที่ไม่เคยกราบมาก่อนเมื่อปฏิบัติกรรมฐานครบเจ็ดวันเทอมาลาท่านตั้งแต่วันนั้นท่านมีกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดสิงห์บุรีจึงไม่ได้อยู่ให้เขาลาหลวงพ่อครับกรรมฐานวิเศษจริงเหลือเกินผมกลับไปก็เดินจงกรม นั่งสมาธิทุกวันแต่น่าเสียดายที่ชาวพุทธกลับไม่เห็นคุณค่าผมนับถืออิสลามยังเห็นคุณค่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะตำหนิชาวพุทธนะครับเพียงแต่ผมเห็นว่าเขามีของดีแล้วไม่รู้จักนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมนับถือศาสนาอื่นยังได้ประโยชน์จากของดีของศาสนาพุทธหลวงพ่อเชื่อไหมครับที่บริษัทผมมีชาวพุทธทางานอยู่เกือบสองอคน ทั้งหญิงและชายผมเรียกประชุมและถามว่ามีใครเคยเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงบ้างไม่มีใครยกมือเลยสักคนพวกเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าวัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนผมเลยมีนโยบายว่าจะส่งพวกเขามาเข้ากรรมฐานเป็นรุ่นๆ ร, รุ่นละสิบถึงสิบห้าคนจนกว่าจะครบทุกคนหลวงพ่อว่าดีไหมครับดีสิโยม ส่งคนมาทำความดีแล้วจะไม่ดีได้ยังไงท่านพระครูตอบครับและผมจะกำชับว่ามาแล้วต้องปฏิบัติไม่ใช่มานอนคุยกันให้คนอื่นเข้าราคาญแล้วก็เปลืองเข้าสุกวัดด้วยดีช่วยกำชับอย่างนั้นก็ดีเขาจะได้ไม่พกบาปกลับบ้านคนที่มาทำจิมจ้มจำจำนะนอกจากจะเปลืองเข้าสุกวัดแล้ว ยังพก บ, บาปกลับบ้านอีกด้วยท่านพระครูช่วยเสริมและผมจะให้พวกเขาสวดมนต์ไหว้พระและทำกรรมฐานก่อนนอนทุกวันอย่างผมผมละหมาดวันละห้าเวลากลางคืนผมก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สอนลูกๆและภรรยาทั้งสี่คนให้ทำด้วยแหมดีจริงต่อไปบริษัทของโยมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น คนที่เคยยักยอกเงินบริษัทเมื่อมาเข้ากรรมฐ า, านแล้วก็จะเลิกยักยอกเชื่อประเทศไทยเถอะท่านพระครูพูดสำนวนเดิม